บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแกการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดมาถึงเรื่องของอายตนะละแกตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสโภชพระในธรมรมซึ่งเป็นเรื่องของชีวิตแต่ละชีวิต แต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเกี่ยวข้องจะเรียกได้ว่าทุกขณะปะัญหาต่างๆที่เกิดก็เกิดมาจากเรื่องเหล่านี้ความดีงามทั้งหลายที่เกิดมันก็เกิดมาจากเรื่องเหล่านี้แต่ว่าธรรมะที่ทรงแสดงนั้นก็ทรงเน้นไปเป็นจุดๆไปยในกรณีนี้ก็ต้องการ ให้ศึกษาถึงสภาพจิตของเราเวลาตายรูปหูวังเสียงเป็นต้นเคยดูที่จิตว่ามันมีกิเลสประเภทสังโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งผูกขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นหรือไม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในขณะที่ตายรู้วังเสียงเป็นต้นนั้นไอ้สิ่งดีงามต่างๆจะไม่เกิดขึ้น ที่ดีงามทั้งหลายก็เกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสเหล่านี้เพียง mm. แต่ว่าทงสอนในรูปของทุกขสมุูไทยเป็นหลักเพราะอะไรเพราะอยัยตนาภายในภายนอกนั้น mm. เมื่อเรามองอีกมุมหนึ่งที่จริงมันคือเรื่องของทุกข์สัต์โดยโรงของกรรมาฐานก็คือการมองในแง่ของ สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปบ้างมองใ น, นแง่ของความปฏิกูลน่าเกลียดสกปรกบ้างมองใ น, นแง่ของการเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยต่างๆบ้างแต่การมองนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานในการมองว่าเรามองเพื่อจะใช้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้น ใ, ใช้ประโยชน์ในระดับใด ยกตัวอย่างวารูปเราจะมองในแง่ของความเป็นเหตุปัจจัยคือเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยจะมีรูปบางอย่างที่เราจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นก็มีการสร้างเหตุปัจจัยขึ้นจะรูปบ้านรูปเรือมาเกิดขึ้นภายในใจเราก่อนแต่เราก็ต้องการเป็นที่อยู่อาศัย ใจมันก็ปรุงคิดจินตนาการออกไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านขั้นตอนกรรมิธีในการสร้างบ้านมันก็กลายเป็นบ้านขึ้นมานั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้คุณคนสามารถจะมองธรรมะคือใช้ประโยชน์ในแต่ละสายแต่ในขณะเดียวกันรูปบางอย่าง ถึงแน่นอนมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าไม่มีรูปเหล่านั้นเกิดขึ้นปนัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นรูปนั้นเราก็ใช้ปัญญาวินิจฉัยตัดสินว่าไม่ควรจะให้เกิดขึ้นแล้วก็ปิดกั้นกระแสของรูปเหล่านั้นเอาไว้โดยไม่สร้างให้เกิดขึ้นก็คือคือพวกสิ่งที่ควรละเว้นทั้งหลาย บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของสถานที่บางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของบุคคลบางอย่างอาจจะเป็นอารมณ์บางอย่างอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของอะไรก็ได้แต่หมายความว่าเราพิจารณาเห็นว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้ต่อไปเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาเราก็หลีกเว้นไม่เกี่ยวข้องอย่างเนี้ อย่างเช่นการครบหาสมาคมขอบคนณว่าคนบางอย่างมาคบแล้วมาเกิดประโยชน์บางอย่างคบแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็มีคําสอนในลักษณะการเลือกเฟ้นในการครบหาสมาคมแนวมงคลโดยสตรที่จริงคนเหล่านั้นก็คือรูปแต่พูดในระดับของการเกี่ยวข้องกันไม่ใช่พูดในพูดในระดับในหลักการเกี่ยวข้องกันมันก็ต้องมีการเลือกเฟ้น แต่อย่างน้อยที่สุดคนเหล่านั้นจะต้องไม่เป็นภัยเป็นอันตรายต่อเราคืออยู่เฉยๆก็ยังดีแต่ถ้าเห็นว่าจะเป็นภัยเป็นอันตรายก็มีการหลีกเว้นต้องสอนเป็นรูปธรรมให้เราคิดดูเหมือนกับเรารู้ว่าถนนตรทางสายเนี้ยมันมีอสรพิษอยู่มีงูอยู่มีสัตว์ร้ายอยู่มันก็ไม่เดินไปมันก็จบ นั่นเป็นการพูดในการตัดปัญหาไปเลยก็เรียกว่าครูไฟจะไหม้ก็ไม่ติดไฟขึ้นไฟมันก็ไม่ไหม้แต่ในภาคปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันทำยากเพราะกว่าจะรู้ว่าใครเป็นใครหรืออะไรเป็นอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นแล้ว คนจะมีหลักการในการปฏิบัติที่ส่งสอนในรูปว่าให้มันมีความเสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้กิเลสที่ได้กล่าวมาแล้วที่จริงมีทั้ง3มกลุ่มคือกลุ่มของโมหะเกิดด้วยกลุ่มของโมหะก่อนแล้วก็โลภะแล้วก็โทสะกลุ่มของโมหะ3ข้อแรกกังต้น เดนในลนักษณะของสักยติทิฏิคือความเห็นเป็นเอกถือตัวถือตนมีตัวมีตน ม, มีเรามีเขามีพวกเราพวกเขาตรงนี้เชื่อภายในจิตของเราเนี่ยมีอยู่มากคือความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราหรือเราเป็นมันมีอยู่มากนักเกิดเพราะเลยจริงๆพบว่าคนทุกส่วนของโลก จะมีลักษณะของความหยิ่งความสนุนเสียอย่างอื่นก็เสียแต่อย่าเป็นงานดูมีนแกนที่เราเรียกว่าศัก์ศรีคืออย่าดูมีนแกนไอ้ศักด์ศรีนั้นก็เกิดขึ้นมาจากสักการทิฏฐิที่เรารู้สึกว่าเราเป็นจากนั้นเราเป็นอย่างนี้เป็นตัวเป็นตนของเราใครแต่ต้องไม่ได้เครล่วงเกินไม่ได้ ใครไม่แสดงความเคารพไม่ให้เกียรติไม่ได้ไม่ความเคารพพอทำเนาเนีไม่ให้เกียรติเนี่ยไม่ได้ไม่ให้เกียรติก็พอทําเนาอย่าดูมิ่นมันจะมีอะไรแรงไม่แรงอยู่ถ้าเราจะเห็นว่าสมมุติว่าเขาไม่เคารพไอตัวอัตตามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเท่าไหร่เขาไม่ให้เกียรติมันจะเกิดมันจะเริ่มเกิดจะเริ่มมีความรู้สึก ความรู้สึกนี้แทนที่จะออกมาเป็นสักยทิฏฐิมันออกมาเป็นโทสะถึงหมายความเป็นยังไงหมายความมาความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนก็ร้อนมันใหญ่หมาแล้วเราคาดหวังเอาไว้ว่าเราต้องได้เกียรติเราจะเรียตรงนี้มันเป็นโลภะเราต้องได้เกียรติจากนั้นอย่างนี้อย่างนี้มีการต้อนรับอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นการคาดหวังเอาไว้เป็นการขงใจที่ขวายคว้า พ อ, พอสมมติว่าเกิดไปได้อย่างที่เราหวังก็ทําให้ความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนของเรานี้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นแล้วถ้าหากว่าใครไม่ให้เกียรติอย่างที่เระหวังไอ้โทสะมันก็เพิ่มขึ้นคือจะโกรธเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้ถ้าแรงจนถึงกับดูมินแล้วจะไปกันใหญ่ เพราะว่ามันจะใหญ่กันทั้งสองตัวคือโทสะเนี่ยมันก็คืออัตราความเป็นตัวเป็นตนมันจะโตขึ้นก็ทำให้โทสะโตขึ้นแต่เรามองย้อนกลับไปว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราโลภอยากได้อยากได้เกียรติอยากได้การยกย่องอยากได้สถานะที่เราคิดว่าเราเป็นต้องเหมาะสมแก่สถานะ เพราะตรงนั้นจริงๆแม้จะเริ่มต้นจากตัวโมหะแต่ก็พร้อมที่จะกระจายตัวเองเออกไปเป็นโทสะเป็นโลภะได้ในกลุ่มนี้พระเจ้าจึงส่งสอนเน้นไปที่การใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาครั้งแรกคงไม่ถึงกับะสลายอัตตาได้นะะเรื่องอัตตามันเป็นเรื่องผเขาเป็นปัญหาใหญ่มาก แต่ว่าลดอัตราตัวตนลงไปทำตัวเสมอน้ำเสมอลมเสมอไฟคือไปได้เพราะจริงเราก็เป็นที่เกาะกลุมของดินน้ำลมไฟอากาศไปได้อยู่ได้น้ำจะไหลไปไหนก็ไหลได้แล้วก็ปรับตัวอยู่ในที่นั้นได้ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดลอ้อม ลมเองก็ไปได้ไม่ติดข้องอยู่ในที่ใดที่หนึ่งมันไปได้เอยไฟเองมันก็ไม่เลือกเชือ้อผ่านมาก็ลุกไหม้ได้ทั้งนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเราไปลดตรงนี้ได้พยายามทำใจเสมอน้ำเสมอลมเสมอไฟเสมออากาศอะไรท ไอ้โลภะความอยากได้ให้ในการส่งเสริมอัตตาของเรามันลดลงไปเวืเราไปเจอคนให้เกียดให้เกียดมันก็เฉยๆคือเรียกว่าลดความยินดียินร้ายลงไปหมายความว่าอย่างไงหมายความกิเลสประเภทโลภประเภทโกรธประเภทหลงเขาลดลงอะไรมาช่วยตรงนี้ ปัญญาเนี่ยตัวหลักที่เข้ามาช่วยพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงจะรู้จักการแยกแยะให้เป็นอย่างน้อยก็แยกแยะให้เป็นอย่างนี้ท่านเล่าถึงสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โตวรครคังซึ่งมีปฏิปทาที่นำมาเล่าคานกันมากแล้ จ, จุดเด่นของท่านจริงๆก็คือว่า ไม่ไปยึดติดในความเป็นหล่านั้นเราไม่ปรารถนาความเป็นแต่ในขณะเดียวกันถ้าแสดงมากไปเนี่ยเราจะต้องมองกิเลสที่เห็นด้วยความอยากเป็นน่ะมาเป็นภวะตันหาแต่ความไม่อยากเป็นจนแสดงอาการมันก็เป็นวิภวะตัญหาก็แสดงว่าตันหาด้วยก่นผู้ตั้งกลุ่มกิเลสความอยากเป็นก็เป็นกลุ่มของโลภะความไม่อยากเป็นเนี่ยบางคนเป็นกลุ่มของโทสะ ซึ่งหมายความว่าเราอาจจะไม่พอใจในจุดนั้นต่วเรียกว่าคล้ายๆกับไวไฟคือมาใกล้ตัวกิเลสมากท่านได้เป็นราชาคณะเมื่ออายุร่วม60ปีแล้วทั้งๆ ท, ที่ว่าเป็นพระที่แตกฉานมาก ในตอนแรกราชการที่สมต้องการจะแต่งตั้งเป็ราชาคณะท่านหนีไปอยู่ประเทศลาวพอสิ้นราชการที่สามท่านก็กลับเข้ามาโดยการที่สี่แต่งตั้งเป็นพระธรรมกิตติท่าก็รับโดยการที่4ี่้่นก็สงสัยพระถวว่าทำไมจึงรับ ทำขัวโตว ต, วตอนราชการที่สามแต่งตั้งทําไมไม่รับตอนโยมแต่งตั้งทําไมจึงรับท่านบอกมันผิดเกตราชการที่สามนั้เป็นพระชาแผ่นดินแต่มาวพิษเป็นเจ้าฟ้าไอ้คนโรนี่ดินมันหนีได้ข้ามภากไปฝั่งลาวมาขุดโนแผ่นดินไทยแล้วแต่ว่าฟ้าเนี่มันหนีไม่ได้มันคล่องไปถึงลาวด้วยแต่ถ้าก็เป็นแบบไปยติไปไหนบางครั้งบางคราวท่านก็ เรือไปติดถ้าก็ลงช่วยเข็นเรือเขาชาวบ้านก็เดินมาดูว่าสมเด็จตงเข็นเรือท่านบอกว่าท่านไม่ใช่สมเด็จแต่ชีวิติพัฒน์พสมเด็จมันอยู่ตรงโน้นตมานีเป็นขัวโตเพราะทําให้การประพฤติมันเบาก็เรียกว่าสันละหุกกุตฑ์คือเบากายเบาใจหมาความว่นกิเลสมันไม่มากแล้วมันไม่หนักให้เราสังเกตว่าถ้ากิเลสไม่มากแล้วมันไม่หนัก แต่ถ้ากิเลสมากแล้วมันจะหนักไฟหน้อยต้องใหญ่มากอัตตายิ่งใหญ่ยิ่งหนักแล้วโลภะโทสะโมหะมันก็จะเกิดเคียงขนานกันไปเรื่อยๆไปตามลักษณะของอารมณ์สมมติเราคาดหวังว่าเราไปในที่นี้จะมีคนมาต้อนรับมากก็แสดงออกเป็นอาการของโลภะแล้วก็หลงตัวเองมันก็มีกิเลสสองตัว พอคนมาต้อนรับมากจริงๆเราก็เกิดโลภะ ต, ต่อเกิดปีติเกิดดีอกดีใจเกิดชอบใจแต่ถ้าคนมารับไม่ตามที่เราต้องการคือคิดคาดหวังเอาไว้มันจะเกิดความไม่พอใจแล้วจะเกิดโทสะหรือบางทีทำอะไรไม่ได้ก็เกิดความโศกเพราะมันจะหมุนวนอยู่ทุกสมุทัยเนี่ยใจมันจะหมุนวนในที่ทุกขสมุทัยคือกลุ่มกิเลสกับกลุ่มของทุกข์ แล้นในจุดนี้เราก็อยู่ที่การพยายามใช้ปัญญามองให้เห็นเราคงจะละไอ้ตัวอัตตาจริงๆไม่ได้แต่ทํายังไงมาให้อัตตามันเล็กให้เล็กลงหน่อยไปที่ไหนก็ไปได้สบายอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้สบายนั่งตรงไหนก็ได้เพราะจริงๆแล้วลึกๆจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนอะไร เป็นการเกาะกลุ่มกันขึ้นมาเป็นการสมมติบัญญัติขึ้นมาของดินน้ำลมไฟอากาศที่เกาะกลุ่มกันยังมีสัดส่วนเป็นรูปร่างของคนก็เรียกว่าคนเป็นรูปร่างของแมวก็เรียกว่าแมวเป็นรูปร่างของช้างม้ามันก็เรียกว่าช้างม้าที่จริงมันก็ไม่มีอะไรมันก็คือเกาะกลุ่มการเกาะกลุ่มยังมีสัดส่วนดินน้ำลมไฟอากาศตรงนี้ตัวสิ่งที่เราพิจารณาเนี่ยตัวอารมณ์ข้างนอกเนี่ยคืออาการพิจารณาเป็นปัญญา ซึ่งก็หมายความเป็นมกักสิ่งที่เราพิจารณานั้นเป็นทุกข์คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยไอ้ผู้สังโยกก็คือกิเลสซึ่งจากจุดนี้เราจะพบว่ามันจะเพิ่มทุกข์ก็ได้นะฮะเพิ่มสุขก็ได้มันอยู่ที่ตัวไหนอยู่ที่ตัวปัญญาว่าเรามีมากพอไหมหรือปัญญานั้นเป็นปัญญาที่นชอบไหม เพราะปัญญาที่จริงมันมีอยู่สองฝ่ายที่เราเรียกว่ามิจฉาปัญญากับธรรมปัญญาปัญญาที่ผิดกับปัญญาที่ชอบก็คือมิจฉาทิฏฐิกับธรรมาทิฏฐินั่นเงองเพราะเรื่องตัวเราเนี่ยคิดได้เพิ่มกิเลสก็ไดนะ้ไอเราไม่มีใหญ่อะไรเท่าไหร่มันก็ดึงให้ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเรารู้สึกว่าเราใหญ่ด้วย เป็นญาติกับคนนั้นคนนี้คนโน้นมีเชื้อสายจนถึงกับมีราชวงศ์อะไรก็เชื่อมเชื่อมากๆไว้เราก็ที่จริงเราไม่ใหญ่หรอกแต่เราไปเชื่อมกับคนอื่นให้เรารู้สึกว่าใหญ่เหมือนก็เหมือนกับลูกน้องทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นคนขับรถลูกน้องเด็กติดตามอะไรแต่ไรก็ตามตัวแกมันไม่ใหญ่แต่ไรอ่ะแต่ทีนี้ปัญญาแกคิดผิด แกไปคิดอเอาแกก็ไปบวกกับเจ้านายกางแกก็ทำากใหญ่วันที่เลขาในใหญ่กว่านายนันแสดงให้เห็นว่าเป็นความคิดในทางที่ผิดเป็นการหลงทางองชีวิตเพราะจริงทาง่านนายทั้งเราก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรเมื่อคิดเป็นแล้วกิเลสมันก็เกิดมีทั้งโลภทั้งโกรธ มีทั้งหลงแล้วมันก็เกิดเราจึงทราบข่าวกิจกรรมต่างๆที่ลูกน้องไปอาศัยชื่อของนายด้วยความใหญ่ของนายไปเบ่งกับคนอื่นบ้างไปแสวงหาประโยชน์จากคนอื่นบ้างแปลว่าความว่าไปเบ่งกับคนอื่นก็คือแสดงถึงอัตราตัวใหญ่แต่ไปเกาะนายคือทาเป็นใหญ่เป็นนายใกล้ๆก็ไปหลงเงานะคือเงานี่ที่จริงมันมันเกี่ยวเนื่องด้วยคน แต่ก็ไม่ใช่ตัวจริงอัตตาตัวตนมันก็มีลักษณะอย่างนั้นมันเกาะกลุมกันก็สมมติมปัญญัติกันแต่ที่จริงก็ไม่ได้มีจริงปัญญาพิจารณาไปมันก็ลดได้ท้งโลภะโทสะหมดขาแต่ถ้าปัญญาที่พิจารณามันเกิดนึกถึงตัวศักดิ์สิคือหมายความอัตตามันยังใหญ่อยู่ เราจะต้องอยู่อย่างนั้นจะต้องกินอย่างนั้นยานภานะจะต้องเป็นอย่างนั้นเครื่องแต่งตัวจะต้องเป็นอย่างนั้นบริษัทบริวารจะต้องมีมากอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ใหญ่โลภะเขาก็เพิ่มขึ้นในขณะที่โลภะเพิ่มขึ้นเนี่ยการสแสวงหาเงินทองก็ต้องเพิ่มขึ้นหมายความว่าความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นทําไปแต่มาปรากฏว่าหาไม่พอตามชี้อัตราบรรยายนออกไปในปัจสุขก็ต้องเอามาในวิธีที่ทุจริต โดยวิธีการต่างๆซึ่งถ้าเรามองดูให้ดีแล้วหมายความว่าตรงนั้นมันหลงประเด็นตัวเองแต่เมื่อเรามองไปที่คนอื่นซึ่งเขาเป็นระดับนำของโลกเหมือนกันของประเทศเหมือนกันทำไมถ้าไม่เป็นเดือดร้อนอะไรอย่างรัฐการที่ห้าเสด็จประพาสต้นก็ไปกันไม่กี่คน ก็ปลองตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทั้งก็ไปกันท่านได้ทั้งอยู่กันท่านได้นั่นแสดงว่าท่านเป็นเป็นหรือเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ทําหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินแต่ในขณะเดียวกันในสถานะหนึ่งท่านก็คือคนไทยท่านก็ไปอย่างคนไทยอยู่กับคนไทยก็เป็นญาติพี่น้องกันนั่งกินข้าวร่วมบงกันได้ไม่มีปัญหาใดนั่นคือลักษณะของคนที่เรียกว่า อัตตามันไม่ไปเสริมอัตตาก็ใหญ่ขึ้นตอนเราตั้งท่านอืน่นๆอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่อตอนทรงบระหนดอยู่ท่านเป็นเจ้าฟ้านะยุคสมัยนั้นก็ไม่น่าจะไปไหนมาไหนอย่างนั้นแต่ท่านก็ไปท่านก็เที่ยวตุ่ดงไปที่ไหนท่านก็ปกักหลอดท่านนั่งคุยกับชาวบ้านทุนธนากับชาวบ้านธรมนธรมดาธรรมดาเราเห็นอะไรมันลดคือเราเห็นว่าอัตตาท่านลด พลโลภะในความเป็นเจ้าควา้าในองค์ประกอบของความเป็นเจ้าควา้าก็ลดแล้วท่านไปเจออะไรต้องถอยยังไงต้องฉันยังไงอยู่ที่ไหนท่านก็ไม่มีโทรศัอะไรพรามันลดปางคนลดเพระมันเพิ่มเขาก็เพิ่มพลกิเลสกลุ่มนี้มันก็อยู่ที่เราจะใช้ตัวไหนก็ได้หมายความมาพิพจารณาในตัวของอจตนะ แต่พิจารณาที่ตัวอาจตนะได้นะเข้าใจถึงความจริงว่าอาจตตาทั้งหลายเนี่โดยเฉพาะตัวนอกนะรูปเสียงดินรถพัมผัสมัก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตามีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเราจะไปบังคับต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้นมันก็เป็นไม่ได้เราเองยังเอาไม่ได้เพราะอรเพราะในตัวเราเองที่จริงก็คือเป็นรูปเสียงกลินรถสัมผัสของคนอื่น คนอื่นก็เป็นรูปเสียงกลินรสสัมผัสของเรามันก็ยีรอบเดียวกันทั้งสองฝ่ายล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นรังของโรกมีการเปื่อยหน้าผูพังตลอดซึ่งบางที่ก็เปื่เป็นจากข้างในบางที่เปื่อป็นจากข้างนอกแล้วก็มีเปื่ยจริงกันได้เกิอตอนตาย เพราะตรงนี้ก็แสดงว่าปัญญามันเกิดขึ้นพิจิณนพิจนาที่จริงเราไม่ได้ดูที่ตัวกิเลสแต่เราไปดูที่ตัวข้างนอกพอมาเราเห็นอย่างนั้นไอ้ตัวอัตตาเราก็ลดมันน้อมก็มาหาเรามันก็เหมือนกันน้อมแนวของการพิจนาแบบปิณะปัจเจเวกขณะที่เรียกว่าไอ้วังธโมยวังภาวีวังอนัติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ เขาเป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้แล้วในที่สุดเนี่ยอนโลภะี่จะได้จะมีจะเป็นมันก็มองเจอแล้วก็เหมือนกันทั้งหมดคือเราจะดูคล้ายๆกับสมมติเราไปในทิ่หนึ่งมีผลไม้กองอยู่อยู่เยอะแต่ไปถึงนี่เรารู้ว่าผลไม้นั้นกินไม่ได้หยิบ ป, ปั๊บรู้ว่ากินไม่ได้กินไม่ได้ ความอยากมันไม่เกิดเพราะเะไเพราะมันถูกตัดด้วยปัญญาที่พิจารณาเห็นว่าผลไม้นี้กินไม่ได้ก็ แ, แสดงว่าโทสะเองก็ไม่เกิดหรือว่าเกิดก็เกิดน้อยนะอาจจะผิดหวังนิดหน่อยคือเป็นโสกะอาจจะผิดหวังนิดหน่อยทีนี้สมมติผลไม้แต่มันกินได้เนะี่ย แต่พอดีเราก็เห็นมันเน่ามันเสียปัญญาที่เกิดพิจารณามันก็จะเห็นนะสองด้านเราจริงๆริงผลไม้นี่กินได้จริงแต่จริงๆผลไม้นี้มันเสียแล้วมันกินไม่ได้ที่ตอนมันเสียตอนมันเสียอโลภะที่จะกินมันก็ลดลงไปจึงหมายความว่าความไม่พอใจมันก็ลดลงไป จากการพิจารณากลุ่มนี้จึงลดโลภะทศมหะเหมือนกันทีนี้อย่างหนึ่งก็มือคือมองที่ตัวของอัตตาเองหมายความว่าความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเป็นตัวเป็นตนของเราก่อนที่จริงแล้วเรามันเริ่มจากไม่มีอะไรเลยคือไม่เป็นอะไรมาเลย มันเป็นจุดเล็กๆของรู ป, ปรวัตถุกับนามธรรมที่มาเกาะกลุมกันจุดเล็กนิดเดียวแล้วก็มีเหตุปัจจัยมาผสมมาพาะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมากว่าจะถึงเดี๋ยวนี้มันก็ผ่านเวลามาเยอะ ในขณะที่เราเห็นรูปซึ่งจเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นร้าวจนแก่เท่าไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นรูปคเครื่องเสื่อมสลายไปองค์ประกอบนั้นมันเหมือนกันหมายความมาส่วนรู ป, ปวัตถุก็ประกอบด้วยดินน้ามลมควายอากาศเหมือนกันส่วนที่เป็นจิตก็ประกอบด้วยษษวกุศลและกุศลกลางกลางเหมือนกัน สิ่งทั้งหลายมันยังเกิดมาจากเหตุปัจจัยความรักความชังความโกรธความเกลียดความเมตตาเราถึงแม้นิพานเองมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยพื่สังเกตวันนี้นิพานนั้นไม่มีเหตุปัจจัยแต่ว่าการจะเกิดนิพานได้เนี่ยต้องอาศัยเหตุปัจจัยต่รูว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันไม่มีตัวตนจริงๆการเป็นชีวิตก็ต้องอาศัยองค์ประกอบ ถ้าองค์ประกอบเหล่านี้บกพร่องไปสักอย่างมันก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างที่ทรงแสดงถึงอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดตั้งขันตังขานเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณสามตัวเนี่ยหมายความ that ขาดไปสักอย่างมันก็ขาดหมดเช่นว่าไม่มีอวิชชาก็แสดงว่าไม่มีสั้งขันพอไม่มีสั้งขานวิญญาณมันก็ไม่มีอันนี้ก็เรียกว่าขาดไปหมดได้ ถ้ามีเขาก็ต้องมีครบทั้งสามอย่างเราอยากให้มีหรือไม่อยากให้มีก็ตามมันต้องมีซึ่งว่าผิดกับสิ่งภายนอกนะเราไม่อยากให้มีเราตัดเราถอนเราทำลายไ ด, ได้แต่ว่าปรากฏการธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนกับฝนจะตกน้ำจะหลากฝนลูกเห็บจะตกลงมาอะไรแต่เราข้ามมันไม่ได้มันเป็นกฎของมันเป็นกฎธรรมชาติของมันเพราะกิเลสกรรมเนี่ยกับวิญญาณเี่ย สามประ ก, การนี้เมื่อมีอยู่มันก็เป็นปัจจัยพึงสังเกตเป็นนา ม, นรรมารำแล้วก็ให้เกิดเป็นนามเป็นรูปขึ้นก็กลายเป็นปฐมจิตปฐมวิญญาณก็เกิดขึ้นมาก็เติบโ ต, ตอย่างที่รู้กันเราก็จริงว่าตัวตนเนี่ยมันมาจากไหนมันเป็นเรื่องเรื่องการเกาะกลุ่มของปัจจัยทั้งภายในภายนอกเท่านั้นมันก็ลดอัตราลงไปก็แสดงพอลดตรงเนี้ย ในการพากข้างนอกมันก็ลดเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราเล็กนี่เราไม่อยากได้มากมันเหมือนกับของที่เขาให้มากมากแต่ว่าเรารั่วเราเราเร า, เราแรงเราเอาได้ขนาดนี้ว่าก็หิ่งไปของเราเนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวเราเนะฮแม้ของมันจะจํานวนมาฐาลยังไงก็ตามคนที่มีเหตุผลมันต้องรู้ที่ตัวเรา พอเราจะหิ้วได้ขนาดไหนเราจะผ่าได้ขนาดไหนถ้าจะเอามันก็เอาขนาดนั้นทีนี้ถ้าคนตโตโตเนี่ยคือเราเห็นภาพชัดมากว่าคนโตโตเขาก็เอามากหรือเขาหยิบได้มากเขาผลไปได้มากคนโตโตก็จะขวายความมากอะไรมันก็มากไปหมดเหลังจากการฝึกปรือการพยายามคิดในเรื่องเหล่านี้จึงไป เสริมได้ทุกๆด้านเสริมในการรู้สิ่งทั้งหลายก็เรียกว่ารู้เท่าทันทั้งสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเป็นการปรับติได้อยู่ในคันลองของธรรมะเราคือมัจไอ้กิเลสเอก็ลดลงไปความร้อนร้อนก็ลดลงไปซึ่งก็หมายว่าความทุกข์ก็ลดลงไปในขณะเดียวกันความสุขใจความสงบใจก็จเกิดขึ้น แม้จะทรงสอนในแนวของการให้ดูเฉพาะกิเลสแต่ในองค์ธรรมแล้วเนี่ยที่จริงมันก็เป็นทั้งกลุ่มของทุก ษ, ษ, ษ, ษัสสกลุ่มสมุทัยสัตว์พร้อมจะใช้หลักธรรมในมรรคสั์เนี่ยแสวงหาประโยชน์ได้จากทุกจุดอะไรที่เราพิจนารณาแล้วสามารถที่จะลดกิเลสได้เพิ่มธรรมะได้เราก็ใช้ตรงนั้นซึ่งเมื่อกิเลสลดธรรมะเพิ่มแล้วความสุขความสงบทจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะปฏิบัติโดยใครที่ใดเมื่อไหรก็ตามแต่เพียงแต่ว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสมงบสืบต่อไป